ท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอ่าอุปัฏฐากในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็น ปะไดจัดงานวันเกิดขึ้นอ่าค่ําก็ได้เล่าประวัติให้แก่ศิษยานุศิษย์ทั้ง ต่างศรัทธาต่างหลาย พร้อมกันนี้พระภิกขุสามัญเณรตลอดถึงเด็กวัดทุกคน พร้อมกันนั้นพระมหาบุญชุมอักขะธัมโมในนามของโลกจิต ต่างผู้ฟังสิงหาคมขึ้น 14 ค่ําเดือน 12พส2441ณบ้านป่าแข่งซึ่งเล็ก ตั้งอยู่กลางตุงนารวมอยู่ในหมู่บ้าน 1 ปอได้เมืองทิมมาสารถึงแก่กรรมไปแล้ว คันพระครูภาวนาภิรัตคือตันโกบาอินทัจักวัด เกลกอนั้นแสงพิมมาศาลถึงแก่กรรมไปแล้ว 10 แม่ทิดาสุทธิพงศ์ กุฎามัณฑาเป็นคนมีฐานะพอมี ปกครองบุตรหลานโดยยุติธรรมบ่มีอคตินักแน่น วันสา 28 มนดาแลนุ่งขาวห่มเค้ารักษาอุโบสถ เมื่ออาตมาเจริญวัยพอทําการทํางานได้ก็ได้ บนคุณของปอแม่เจ้าตีปอ เพราะสมัยนั้นตามชนบทยังบ่มีโรงเรียนสอน อาศัยความตั้งใจและความเพียร ได้หันพระภิกขุสามเณรอยู่ดีกินดีมีกิริยาเรียบร้อย ท.ช. สอง.ฟ. ฟ. 5, ง, ด น, ด ฟ. ฟ. ฌ. ฮ. ฮ. ฑ. ค. ส.ศ. ฟ. ภ. ษ. incentive ฮ. ฮ. ฮ. ฮ. ฮ. ฮ. ฤ. ส. ศ. ฟ. ศ. ฮ. ข. ษ. ฮ. ฤ. ศ. ศ. ศ. ศ.ศ. ศ. ฮ. ศ. ฮ. ศ. ศ. ศ. พังทางราชการก็เล็ง อย่าเป็นการบวชหนีทหารหรือบวชหลั่งเข้า ก็ได้กราบลาปอเมไป ตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางคลติชายก็จัดกลางขุดหัวขุดกิ้วหือ ก่อนมีพระปี่ใจกับภัยอีก ภพและใดมาบวดพุทธศาสนาและได้มาบวชมั่น ก็ได้แนะนําธรรมสอนศีลราชาดําวัด 15 วันตั้งแต่เย โดยเขียนใส่แปนกาดานคำนวณมีขนาดกว้าง 1 คือผยาว 1 ศอก แต่เมื่อตั้งใจตองยังเอาจริงเอาจังก็ เพื่อช่วยโอกาสตองสวดมนต์ไปตาม ปฐมปีที่ 4 ในสมัยนี้ 4 ยังบ่มี 17 18 ปีก็ได้ศึกษาหลักธรรม หนังสือเรียนก็หาอยากมี ประกาศนิยบัตรจำลองฤทธิ์ทำกันอย่าง 2459 จึงมีสำนักเปลี่ยนเด ซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอ คือการศึกษาทั้งนักธรรม ออกมรรคัลลาคม พศ. 2461 เจ้าอาทิกันแก่วคัตติโย 2462 ทางการคณะสงฆ์ได้ทําการเปิด นักเปลี่ยนธรรม 7 จังหวัด 100 รูปจังหวัดลำพูนมี 11 รูปกรรมการ 1 วัน พลกล่าวกฎว่าได้เพียง 2 รูปคือ ได้ติดตามมาถึงวัดฝางเหียงซึ่งเป็นวัด โดยอ้างเหตุผลๆนานามีตนหนึ่งพระ แต่อาตมารู้สึกขัน มีอุปสรรคธรรมหื้อบ่ได้ไป จึงได้พยายามศึกษา ยิ่งกว่านั้นก็ได้เดินทาง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาหาทางปฏิบัติ พศ. 2464 เดือน 10 เหนือซึ่งเป็นวันเข้าวัษาอาตมาก็ได้ตัดสิน ทันได้เวลาก็ออกจาก มีสามเณรอุ่นเรือนคือพระอธิการอุ่นเรือน ได้รับความอุปถัมภ์บำรุงจากญาติโยม 3 คืน จีวรกับหนังสือ 2 3 เล่มยอมสังฆานามและภาครองน้ำแล้วออก บาดที่บอนก็เปียกจุ่ม ตนได้เวลาภิกขาจังก็ออกเดินทางไปเป็นวิบาตยัง ได้นังลงตีเจ่งขนาถาหลบจัดชั้นเขาเปิดภาบากขึ้นติจรณาอาหาง แล้วเสด็จไปโพชฌัตต์คือบิณฑบาตในวัน เป็นเหตุนำตาอันไล่เจตานะในหลังไล่ล่งโดยบรู้สึกตัวอาตมาก็แข็งใจเอาผ่ามาเจ็ดนำตาเสียแล้วลงมือฉันป้อประทังจีวิตถือเป็นไปกันฉันเซ็ดแม้วก็เดินตั้งเข้าป่า ไปผักสงบลบผู้คนอยู่ใน คือหนองป่าสะเด็ดซึ่งปัจจุบันนี้ ที่ไหนมีน้ํามี หมู่ปัญจยไลแก้วเหลายาวดอยเลียมดอยหยุดดอยแดดดอย เป็นเวลาหลายสิบปีจนบ่ ดูเหมือนว่าจักเอาจริงๆการอยู่ ยังบ่ปรากฏสำนิพระองค์ไหน ทำหือเกิดความลำคาญบอสงบจริงต้องมีการโยกไปย่ายมาเปือหลีกเล่นลบหน้าผู้คนอยู่เสมอ ในตอนแรกก็มีพระ และตันคู่บามังวัดวัง การอยู่ป่าต้องมีความ ซึ่งมีสาหลผัดอย่างมีทั้งสิงสาลาสัก พอถึงละดูแล้งไปไม่หลวงก็ร้อนจนเกือบจะบ่มีที่อยู่อาศัยละดูแล้วก่อนแล้ว พอถึงคราวผักผ่อนก็อยู่ร้อน ครั้งหนึ่งอาตมาพร้อมโดย ต่างตนก่อนนึกว่า พวกของอาตมาก็คิด ฝั่งฝนก็กันนําตกลงบ่อ เออเป็นบินเป็นไซไปมอด มีจีวรบิณฑบาตเป็นต้นเป็นกิจวัตรและ เมื่อถึงเวลาภิกขาจารย์ถ้า เว้นแต่เรามีสัตตังและมีผู้ บางวันก็ได้กับ เอาหยอดยาทิยอบ จัดผู้ฟังตั้งหลายชีวิตความเป็นอยู่และจริยาวัตรแต่การเดินทุดดงของอาตมา Tan tăng lai kan deon อาตมาก็ได้มาพักอยู่ที่วัด หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่วัด แลออกได้ย้าย 2491 ก็ได้กลับ ถึงบัดนี้คือ พ.ศ. 2516 รวมเป็น 26,000 ศา แต่ถึงอย่างนั้นในระดูแล้งปีไหนเดือนไหน แล้วกลับมาจำ อาตมาได้เล่าประวัติของตนมาโดย ตลอดกาลนานทุกๆธรรมเทอญต่อไปนี้ท่านกันยายน 2523 นะครับก็ ให้ทุกคนจบลบกรรมพอจบก็ขอจะได้ ปัจจาติตานิยีมังปัจจิวังอุททานะกะตังเจตตะผุฒูหอบ 1 ธัมโมหอบ 1 สังโฆหอบ 1 อธิสังหอบ O, gin taj tot pat va dote kоз pe. se te อิมังปุจฉาจิวังปจุปถาลานิเอมังปุจฉาจิวังปจุปถาลานิเอ <c oughs> ด้วยความตั้งจิตตั้งใจกิริยาอันตายแห่งพระเจ้าจงมีเดชปะพุทธเจ้าภาวธรรมะเจ้า พระธรรมเจ้าพระเจ้าก็เจ้ามี เพื่อให้กรรมทางจงเป็นสลานะ ขอเอาเครื่องวิปัสสนาญาณในจิตใจอริยมรรคญาณเจ้า อัญฆาขะพะเจ้านั่งภาวนานี้เดเทเสยวางมือลงหมายอุท้อน ยืนนั่งโยก่บัวบ่นอย่ากระดกกระติกหาย ตั้งสติเป็นใจคอยจะพองขึ้นมาอารมณ์คือ กะทองหนอคอยหายบ่หายใจ จะเปิดบานหรรษาอีมอกสินใจ กิสสนาลํางเกินไปกําหนดไปถ้า ขอพลานิสงส์แห่งการภาวนา เพราะฉะนั้นคือจากการภาวนาที่ เมมาดาบิดาผู้บังคือ Šuk, šuk, thuan, për Kho, srta, rai, takku, wang Jong, yu, fejn, suk Ja, daj mi vejn Ja, daj mi kwan, li, tebe Ja, daj mi kwan, lhambak Jong, rauk, sa Hai, pensu, pensu, pe... Kla...